แปดสิบโกรธสมัยนั้นไ่ะสมัยที่ควายตัวละสองสามบาทนี่เงี้ยยองสมัยเนี้ยควายตัวละหมื่นกว่าบาทแล้วนะสมัยที่วัวควายเนี่ยตัวละสองสามบาทแต่งงานเนี้ไม่เกินสิบบาทเนี่ยโอ้สิบสองบาทเนี่ยแพงแน้วเพราะฉสมัยที่คนมั่งคั่งมีทรัพย์มากเขามีเงินอยู่แปดสิบโกดถ้าพูดธรรมดาเขาเรียกว่าแปดร้อยล้านอาจจะแปดพันล้านสมัยนี้นึกซ้ําไปร่ํารวยมากมายเพราะความร่ํารวยนี้ก็มีลูกชายอยู่คนเดียวก็สามีภรรยานี่ก็ปรึกษากัน บอกว่าโอ้ยลูกเราทําไมจะต้องให้มันเรียนมากมายเงินทองเรามีตั้งมากมายมันจะใช้วัลพันวัลพันวัลพันเนี่ยโอย้ใช้อยู่แปดสิบปีก็ไม่หมดแต่ใช้อยู่ร้อยปีก็ไม่หมดใช่หมแปดสิบโกใช้วลพันวัลพันใช่ร้อยปีก็เท่าไหร่เองปีหนึ่งก็เท่ากับสามร้อยหกสิบห้าพันใช่ไหมสาร้อยหกสิบห้าพันคูณคูณร้อยเข้าไปเท่าไหร่มันก็สามหมื่นกวันเท่านั้นเอง สามสี่หมื่นวันสามสี่หมื่นวันเอ้ยก็ตกไม่กี่พันเองสามสี่หมื่นกว่าพันเองก็ไม่กี่ล้านแต่ถ้าหากว่าให้มันเรียนใช่ไหมให้ไปเรียนขีดเรียนเขียนมันก็เมื่อยมือเขาว่าง้นไปใช้หัวมันก็เมื่อยสมองอย่าไปให้มันเรียนเลยว่าไงให้มันใช้วรนละพันวรนลพพันวรนลพันร้อยปีมันก็ใช้ไม่หมดหรอกเงินทองเรามากไปเออพ่อแม่ก็เลยคิดอย่างนี้ เขาบอกว่าพ่อแม่คนใดที่ไม่ส่งลูกเรียนไม่เป็นศัตรูของลูกก็เหมือนกับเป็นศัตรูของลูกก็ปล่อยลูกเนี่ยโต ว, วันโตคืนไปอย่างเนี้ยพูดแบบสัมมวนทั่วไปเรียกว่าโตฟักโตแฟงไปเรื่อยเรื่ยสติปัญญาหาความเจริญองอกงามไม่ได้วันเวลาผ่านไปเป็นหนุ่มเด็กนี่เป็นหนุ่มพอเป็นหนุ่มเข้าก็ไปแต่งงานอีกก็ไปจับให้แต่งงานกับครอบครัวที่รวยเท่ากันเออสาวเจ้าเศรษฐีบ้านโน้นนี่รวยเท่ากัน แต่ก็โง่เท่ากันเพราะพ่อแม่ทั้งฝ่ายโน้นก็ไม่ได้ส่งให้ลูกสาวเรียนเหมือนกันเพราะฉะนั้นโง่เจอโง่ก็ดับเบิลโ ง, ง่เลยมาอยู่ร่วมกันไม่มีสติปัญญาพอที่จะหาทรัพย์ได้คือสมัยที่พ่อแม่มีชีวิตอยู่เนี่ยพ่อแม่บริหารดูแลทรัพย์สมบัติให้ทั้งหมดวันคืนล่วงไปล่วงไปพ่อแม่ก็ตายนี้จากทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายเหลือทรัพย์สมบัติให้ร้อยหกสิบกดสองสามีภรรยามไม่ได้ศึกษาอะไรมาซักอย่าง ทีนี้อยู่วันหนึ่งไอ้ชายหนุ่มผู้สามีเนี่ยก็เดินผ่านร้านสุรานักเลงสุรากลุ่มหนึ่งเนี่ยวางแผนนะ้วเออนี่ถ้าหากว่าเราชวนลูกเศรษฐีคนนี้มากินเหล้าได้นะเราเนี่ยไม่ต้องจ่ายกันเลยเพื่อนเ อ, อ้ยว่างานเ อ, อ้จะทํายังไงอะ่ะจะให้เศรษฐีเนี่ยมากินเหล้าได้ก็เศรษฐีนี่ชอบเดินผ่านตรงไหนไปตั้งโต๊ะตรงนั้นเลยเสร็จแล้วก็ไปกระซิบคนใช้คนสนิทเศรษฐีอน่นะบอกว่าชวนเจ้านายไปทางนี้นะ ทีนี้เศรษฐีนี่ก็เดินผ่านไปตรงนั้นพอดีเฮ้ยเขากินน้ําอะไรกันเว้ยเล่ายังไม่รู้เลยมันคืออะไรก็บอกเขากินน้ําอมตะกันนายบ้ามันดียังไงไหนมาลองสักแก้วหนึ่งสิโอ้ได้เลยได้เลยก็บอกว่าสุราสมัยก่อนมันเล่าหวานก็เราเหมือนกับน้ําจันนะน้ํามักอ่ะเหมือนกับพวกเหล้าชั้นดีมจะหวานหอมโอ้โหทําไมไม่รู้มาถ้ารู้มากินมาตั้งนานแล้วโอ้โหมันดีจริงๆเลยว่างอกนะมันจะแบบเหล้าเสพกินหน้าบูดหน้าเบี้ยวแบบสมัยนี้ ทำไมนี่บางคนเนี่ยโห่เหล้าสี่สิบดีกรีเนี่ยกินหน้าบูดหน้าเบีย้ยวแต่ก็สู้กันหน้าดูเลยเช้าไปบินทบาทบางคนนี่นั่งเฝ้าร้านค้าเลยตั้งแต่เชา้ามึดนั่นแหละซื้อมาทิ้งกงหนึ่งสิบาทมั่งสิบห้าบาทมั่งนั่งเล่าค้าวอยนะนะู่นั่นแหละข้างๆร้านนั่นแหละก็อยู่อย่างนั้นแหละโอ้โห่เหล้านี่มันอร่อยก็เริ่มติดใจหละบอกว่าทั้งหมดเนี่ยฉันเป็นเจ้าภาพไม่เองใจใหญ่แล้วใช่ไหมเหล้าเข้าคอสักอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหมองเห็นอะไรมันเล็กน้อยไปหมดแหละ เหล้านี้มันเป็นยาชนิดหนึ่งเหมือนกันนะมันเป็นประโยคน์าวิบัติที่ไปกระตุ้นเตือนไอความบ้าสมัยแต่เก่าแต่ก่อนนี่เข้ามาหมดเลยเสร็จแล้วพอเมาเข้ามันก็ใจใหญ่ใจโตแล้วกันนี่เอ้เหล้าเข้าคอแล้วทําไงมันก็ต้องมีอย่างอื่นเข้ามาด้วยใช่ไหมสุราเข้ามาแล้วก็กลับแกล้มก็มีใช่ไหมเริ่มวางแผนเอทํายังไงจะเอาอะไรมาเป็นกลับแกล้มดีค่าสารแล้วทีนี้มากๆเข้ามรดกก็เริ่มใช้มาไอทีนี้ไอคนนั้นเอ้เศรษฐีเนี่ย มันไม่ฉลาดเลยโง่อย่างนี้ให้ชวนเศรษฐีเล่นการพนันดีกว่าเริ่มตั้งวงแล้วกันนี่เศรษฐีนี่ไก่อ่อนมาใช่ไหมก็ถูกต้มวันละหลายพันนานๆเข้าวันละหลายหมื่นนานๆเข้าวันละหลายแสนวันละหลายแสนเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นอีกก็ไอ้พวกขี้เล่าเนี่ยวางแผนบำรุงบำเรอลูกเศรษฐีพาเที่ยวโซเพณีเที่ยวญิงงามเมืองเที่ยวอะไรเนี่ยไปเรื่อ ย, อยแลยละครับนี้ช่วยกันรูดช่วยกันต้มตุน เศรษฐีเนี่ยนานเข้าไม่กี่ปีเนี่ยเหลือแต่บ้านเหลือแต่ช่องทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองเนี่ยหมดเกลี้ยงลูกจ้างในบ้านเนี่ยทุกคนเนี่ยก็เริ่มหักหลังแหละเริ่มช่วยกันคดช่วยกันโกงตัวเองไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่เรียนรู้มาอะไรเป็นทรัพย์ไม่ใช่ทรัพย์บ้างไม่รู้แล้วค่ะนี่นานๆเข้าไม่มีกินแล้วทําไงเริ่มขายแหละขายมรดกเก่าๆเริ่มขายที่ขายทางขายบ้านทีนี้ขายไปขายมาเนี่ย ้ายมาก็ไปเล่นการพนันนะติดเล่างอมนะติดการพนันเนี่ยแจแล้วขายมาเท่าไหร่ก็ไปถมการพนันถมวงเล่าถมเพื่อนถมฝูงเนี่ยเพลี้ยังจนหนักๆเข้าทาําไงอ่ะเอาบ้านไปจำนองบ้านไปจำนองเสร็จพวกก็มายึดบ้านพวกยึดบ้านแนละ้วทาําไงอ่ะชวนสามีภรรยานเนี่ยขอทานเขากินมันหน้ามืดแล้วใช่ไหมแต่ทีเนี่ยโอ้ยชวนเมียเนี่ยขอทานกินเลยนะยังนุ่มๆอยู่เลยนะบริหารทรัพย์สินไม่กี่ปีเนี่ยแจ้งเลย สมบัติพ่อเนี่ยร้อยหกสิบโกรธฝ่ายหญิงแปสิบฝ่ายชายแปดสิบเนี่ยเคลี้ยงหมดเนื้อหมดตัวเลยพอหมดเนื้อหมดตัวก็ขอทานกันกินสองสามีภรรยาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ผ่านไปกับพระอานุนก็แสดงเห็นไหมนัะนะ่นน่ะชายหนุ่มหญิงสาวคู่นี้เนี่ยนะถ้าสามีนี่ออกบวชตั้งแต่เป็นหนุ่มเขาจะได้เป็นพระรัษฎรถ้าภรรยาออกบวชตั้งแต่เป็นสาวเขาจะได้เป็นพระอนาคามี ถ้าสองคนสามีภรรยาคู่นี้ทํามาหากินเขาจะเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งในเมืองนี้จะรวยมากแต่เขาประมาทไปเขาโอกาสเหล่านี้ก็เลยผ่านไปพอผ่านไปอีกก็บอกว่าถ้าหากว่าสองสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยถ้าออกบวชในวัยกลางคนประมาณสักสี่ห้าสิบนี้ออกบวชสามีจะได้เป็นพระอนาคามี ภรรยาจะได้เป็นพระสกทาคามีบุญเก่ามีน้อยนะประโยค้าวิบัติวางแผนผิดพลาดเจ๊งเลยแต่ถ้าหาว่าเขาทํามาหากินในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นอนุเศษฐีของเมืองเศรษฐีรองรองมาแสดงว่ารวยมากแต่ถ้าสามีภรรยาคู่นี้ออกบวชในวัยปลายคนเท่าๆแล้วเป็นผู้เท่าออกบวชเนี่ยสามีจะได้เป็นพระสกอาคามีภรยาจะได้เป็นพระโสดาบันแต่ ทำมาหากินก็ไม่ทำบวชก็ไม่บวชตอนแก่อีกถ้าทำมาหากินนะคู่นี้เนี่ยจะเป็นเรียกว่าเป็นเศรษฐีชั้นธรรมดาเลยเป็นเศรษฐีสามัญแต่ก็รวยได้ถ้าทำมาหากินในวัยปลายคนแต่เพราะเขาประมาทประมาทในความเป็นหนุ่มเป็นสาวประมาทในวัยประมาทในทรัพย์สินประมาทในชีวิตเพราะความประมาทนั่นแหละทั้งคู่ก็เลยเที่ยวขอทานเขากิน พอขอทานเขากินอยู่ระยะหนึ่งก็มีโจรกลุ่มหนึ่งมาก็เขาบอกเออนี่ท่านท่านก็ยังหนุ่มยังแน่นนะจะมาขอทานเขกินไปทําไมท่านไม่อายเขาม้างเล้วยผมไม่ขอทานกินแล้วให้ผมไม่ทาอะไรก็บอกปล้นสิว่างันเขาปล้นเขาทายังไงกันผมไม่รู้เลยว่าไอ้ปล้นเขาทำยังไงมาเดี๋ยวผมจะสอนให้ว่างันโจรกลุ่มหนึ่งก็เลยชวนไปอา้าวปล้นก็ปล้นไว้ไม่ต้องขอทานเขากินพวกโจรก็เลยชวนกันไปปล้น ไปปล้นนี่ก็บอกเออนี่เอาคอนไปนะถือคอนรอตรงนี้แหละเดี๋ยวใครมานะเจ้าของบ้านมาทุบหัวไปเลยแกรออยู่ตรงนี้นะไอโจรที่เหลือก็เข้าไปปล้นขนเอาทรัพย์สินเงินทองไปเกลี้ยงหมดทายคนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าใครไปยังไงแล้วก็ถือไอคอนอยู่อันหนึ่งเนี่ยรอเจ้าของบ้านมาจะได้ทุบหัวได้ก็รออยู่นั่นแหละเจ้าของบ้านเขาเอกอะโวยวายก็ช่วยกันมาจับโจรได้คนเดียวไอคนนี้แหละไม่รู้ทางหนีที่ไล่พวกเขาเห็นแนบไปหมดแล้วก็เลยจับไป จับไปก็เลยบอกว่าไอ้โจรกลุ่มนี้มันร้ายกาจมากไอ้ชื่อเสียงเนี่ยโจรคนก่อนๆมันปล้นไปหมดแล้วไอ้ตัวเองเนี่ยเพิ่งมางานแรกซวยเลยถูกตำรวจนซีอีโอไปเลยก็จับพระราชาสั่งประหารชีวิตแต่ก็โชคดีว่าโจรคนนี้เนี่ยโจรสมัครเล่นคนนี้เกิดในสมัยพุทธากาลเมื่อศาลตัดสินประหารชีวิตแล้วเจ้าหน้าที่ก็ใส่เครื่องตรวนเนี่ยนะเตรียมจะแห่ไปฆ่าสมัยก่อนนี้เวลาก็จะฆ่าทีก็ประจานใช่ไหม เราประจองงองกระจองงงประกาศให้คนรับรู้ไอ้คนนี้ทําชั่วนะใครๆหยับเอาเยี่ยงอย่างมันเนี่ยเข้าไปคนก็แห่กันไปนั่นแหละตามถนนหนทางระหว่างที่แห่ไปนั้นอ่ะก็ผ่านสํานักหญิงโสเพณีอยู่สํานักหนึ่งหญิงงามเมืองอ่ะก็ได้ข่าวเอเสียงเออะเททางข้างล่างมีการแห่การประจานเนี่ยเอ๊มันเสียงอะไรนาะก็เลยแลไปดูเอ๊จาได้ว่าเอ๊นี่ลูกเศรษฐีนี่ ลูกเศรษฐีคนนี้เออเคยมาเที่ยวที่นี่บ่อยๆเขาหน้าสงสารนะเออเขาจะตายแล้วนางก็เลยเอาเข้าวต้มขนมมัดเนี่ยไปเอาไปฝากเออไหนๆจะตายแล้วเอาขนมไปฝากทีนี้ไ อ, อ้ลูกเศรษฐีนี่ก็รับไปเตรียมจะกินเตรียมจะกินเนียวันนั้นเนี่ยพระโมคคัลลานะเนี่ยตรวจตัวเอจะมีสัตว์ที่ไหนหน้าสงเคราะห์บ้างก็เลยรู้ว่าเออถ้าไปแล้วเนี่ยโจรคนนี้เนี่ยจะมีศรัทธาและจะให้ทาน ลูกเศรษฐีเนี่ยกำลังจะกินขนมพระท่านก็เลยเบินบินธบาตผ่านมาตรงนั้นพอดีโจวนนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะถึงเรากินเราก็ตายถ้าเราทำบุญเราก็ตายใช่ไหมคือสรุปแล้วยังไงตายเนี่ยวันนี้เขาจะตัดหัวอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเรากินเองมันก็อิ่มแค่ตายแต่ถ้าหากว่าเราทำบุญกับพระมหาโมคคลานะเราก็จะมีสเสบียงมีอาหารมีที่เพื่องไปข้างหน้าได้บ้างเขาก็เลยตัดใจเนี่ยสายบาด ทีนี้ก็จะถูกตัดคอแล้วขณะที่ช่วงจะถูกตัดคอเนี่ยนะคนเนี่ยมันก็หาที่พึ่งกันน่ะนื้หาที่พึ่งกันแต่ก็ดีใจละที่ได้ทําบุญอะ่ะแต่ก็นึกสังเวชชีวิตของตัวเองที่เกิดมาเนี่ยนะถูกคนเนี่ยปอกลอกมาหมดเลยไม่มีใครเห็นใจตัวเองแม่แต่คนเดียวมีหญิงโสเพณีคนนี้เนี่ยคิดถึงตัวเองที่สุดใจเนี่ยมันผูกพันกับกับผู้หญิงคนนั้นมากช่วงที่ใจผูกพันเนี่ยนะ ที่จริงทําบุญกับพระมหาโมคคลานะใจเนี่ยก็นึกสลับกันแล้วก็ถูกตัดคอตัดคอปั๊บตายแล้วก็ไปเกิดเป็นรุ ก, กะเทวดาก็บอกว่าตามธรรมดาการใส่บาตรกับพระมหาโมคคลานะเนี่ยต้องไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นต้นก็ได้แต่เพราะใจผูกพันตายแล้วไปเกิดเป็นรุ ก, กะเทวดาเกิดเป็นเจ้าป่าเหมือนกันไปเกิดเป็นรุ ก, กะเทวดาอยู่ที่ต้นใส่ใจก็ยังสเสน่หากับหญิงงามเมืองคนนั้นนะ่ะที่มอบข้าวต้มให้ ถึงแต่ตอนหลังก็ได้ฟังธรรมก็บรรลุเป็นพระโสดาบันแต่ก็เล่าเรื่องลัดดังั้นคนเนี่ยประมาทเนี่ยนะน่ากลัวมากที่สุดคนที่ไม่มีตาปัญญาพอที่จะมองเห็นบุญเห็นบาปเห็นดีเห็นชั่วนี่ก็น่าสงสารใช่ไหมเสี่ยงหน้าดูเลยถ้าไม่มีพระเดินบิณฑบาตรผ่านมาใครจะโปรดขึ้นใช่ไหมชีวิตเนี่ยเป็นชีวิตที่เสี่ยงที่สุดในโลกแต่เพราะที่ความที่ว่ามีพระ่าหันที่ท่านมีบุญท่านก็เลยพอที่จะสงเคราะห์ได้ แต่ชีวิตของลูกเศรษฐีคนนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยบอดทั้งสองข้างเนี่ยนะแม่แต่ใกล้จะตายเนี่ยมีคนเอาน้ํามาล้างตาให้หน่อยก็เลยพอสว่างแต่ตอนหลังก็ได้เป็นพระโสดาบันได้ฟังธรรมแล้วก็บรรลุเป็นพระโสดาบันอันชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่เป็นลักษณะนี้ก็มีเมาไมาในชีวิตเมาไมาในทรัพย์สินพากันก่อกรรมทาชั่ว ท, ทําบาปทำอาคุศลไม่สามารถที่จ ะ, สะแสวงหาคุณงามความดีให้แก่ชีวิต แขาบบางคนนี่ไม่สามารถที่จะทำมาหากินได้ในบุคคลประเภทที่สองเขาเรียกว่าเอากจักขุเอกะนี่เดียวใช่หจักขุก็คือคนมีตาเดียวก็บุคคลตาเดียวนี่เป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้มีดวงตาที่เป็นเหตุจะให้ได้พ่อข้ัพย์อันยังไม่ได้ก็ดีเป็นเหตุจะทําโอขทาัพย์ที่ได้แล้วให้ทวีขึ้นก็ดี แต่ไม่มีดวงตาที่จะเป็นเหตุให้รู้ธรรมะทั้งหลายอันเป็นกุศลอกุศลไม่รู้อะไรเป็นกุศลอะไรมีโทษไม่มีโทษธรรมะอะไรอยากธรรมะอะไรละเอียดธรรมะอะไรเป็นฝ่ายดําฝ่ายขาวไม่รู้เลยแต่ว่ารู้จักทรมาหากินคนประเภทนี้เขาเรียกว่าคนมีตาเดียวมีตาเดียวมองเห็นแต่โลกนี้มองเห็นชีวิตว่าทำมาหากินอย่างไรจะมั่งจะมี ทำมาหากินยังไงจึงจะร่ำจะรวยเือสามารถที่จะมองเห็นได้อย่างบางคนเนี่ยอย่างข้อความในคัมภีรห์หลายแห่งท่านก็กล่าวถึงโกศยะเศรษฐีเป็นต้นนะคำว่าโกศยะเศรษฐีนี้เป็นชื่อของเศรษฐีที่ตนันี่ทีเหนียวเศรษฐีเหล่านี้สามารถที่จะสแสวงหาทรัพย์สินเงินทองได้มองอะไรลงทุนเป็นเงินเป็นทองไปหมดบางคนเนี่ยถึงกับยอมก่อกรรมทําชั่ว อาชีพบางอาชีพบางคนเนี่ยลงทุนทําอาชีพเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ก็มีประกอบอาชีพฆ่าสัตว์ทำไงอาชีพในการฆ่าสัตว์ก็ตั้งโรงฆ่าเป็นต้นนั่นเองประกอบอาชีพฆ่าสัตว์ผมมานี่มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเพื่อนคนนี้เขาบอกว่าเออนี่ผมนี่ถ้าบวชชากว่า น, นี้เนี่ยผมจะตั้งโรงเชือดอยู่แล้วเราะงั้นก็ไ อ, อ, อ้เป็นยังไงลงที่โรงเชือดผมนี่จะตั้งโรงฆ่าสัตว์ก็ดีแต่ผมไม่ฆ่าเองนะผมจะจ้างให้คนมาทําให้ ดีนะผมบวบก่อนไม่งั้นผมเนี่ยตกนรกง่ายๆเลยชาตินี้ก็ประมาณนี้ไอ้นี่มันคิดหาเงินเก่งมากเลยนะมองอะไรนี่มองเป็นเงินเป็นทองไปหมดได้เอวคนบางคนเนี่ยมองอย่างนี้แต่บุญบาปนี่ไม่รู้สักอย่างมองไม่เห็นบุญไม่เห็นบาปอะไรหรอกมองอะไรเป็นเงินเป็นทองหลอกลวงคนได้เอาเลยโกหกตลบแตะลังสามารถที่จะทําได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้แก้แหวนเงินทองเรียกว่ามองเห็นชีวิตในชาตินี้ แต่ไม่มองเห็นชีวิตในชาติ ต, ต่อไปอันหลายคนเนี่ยนะมองเห็นชีวิตในชาตินี้มองคิดแต่จะทำมาหากินในโลกนี้อย่างเดียวถึงกับยอมก่ อ, ก, อกรรมทาชั่วหลายคนเนี่ยยอมไม่ไปวิจัยทำยาพิษบางอย่างขึ้นเพื่อที่จะฆ่าสัตว์จะใช้เคมีตัวไหนที่ให้มันฆ่าได้มากที่สุดเนี่ยนะถ้าฆ่าได้มากก็รวยมากคนคิดหาทฤษฎีพวกนี้มาขึ้นทำยังไงผลิตอาวุธสงครามยังไงให้มันตายเร็วเร็วว่านะ ประเภทนี้เขาเรียกว่ามีตาพอที่จะมองเห็นการทามาหากินในโลกนี้แต่ไม่มีปัญญาพอที่จะมองเห็นโลกหน้าไม่มีปัญญาพอที่จะมองเห็นความจริงเห็นบุญเห็นบาปเห็นดีเห็นชั่วเห็นดำเห็นขาวเขามองชีวิตแค่ระยะสั้นๆมองชีวิตจากนี้ไปแค่แค่ตายใช่ไหมบางคนนี่เขาเล่าว่าโอ๊ยเที่ยวไปเถอะกินไปเถอะสนุกส น, น้นเล่นเคลื่นเขลงไปเถอะอีกหน่อยก็ตายแล้วคิดอะไรมากม สนุกสนุกไปเถอะบางคนเนี่ยมองชีวิตแค่ตายตายแล้วก็จบกันแต่จริงๆแล้วตายแล้วจบไหมจบหรือเปล่ามันไม่จบเมื่อมันไม่จบจะไปไหนอ่ะถ้าเมื่อชีวิตเราไม่จบภพบภูมิต่อไปอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าภพภูมิต่อไปนี่อยู่ที่ไหนนะอะไรเป็นปัจจัยให้ไปเกิดในภพใหม่ตัณหากรเป็นเหตุให้นาไปสู่การเกิดในภพใหม่ เป็นเหตุให้ไปเกิดในภพต่อๆไปตัณหาหรือกรรมเนี่ยกรรมอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมกายกรรมชีวิตประจำวันเราทำอะไรใช่ไหมวันๆหนึ่งเราทำอะไรเออถ้าหากว่าอีวันๆหนึ่งที่เราทาเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่จะไปเกิดในสุขติภูมิพูดวันนี้พูดตั้งแต่เช้าจนเข้ามาแล้วคุยอะไรนะักก่อไหมรู้ เออจะเอาคำพูดตัวไหนนำเกิดในภพต่อไปวันนี้นั่งคิดนั่งกะเช้ามาจนถึงบัานนี้แล้วจะเอาความคิดตัวไหนให้พลนํำเกิดในชาติต่อไปใช่ไหมกายะสร้างคารังกายะสังขารวาจีสังขารจิตสังขารพวกนี้เป็นกายกรรมเป็นวจีกรรมเป็นมโนโกรรมอยู่ตลอดอันชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทำกรรมอยู่ตลอดเวลาเมื่อทำทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนโกรรม พบต่อไปเราจะไปเกิดที่ไหนก็ดูเอาจากกายกรรมคําที่เราพูดสิ่งที่เราคิดอยู่ชาววันนี้แหละสิ่งที่เราคิดเนี่ยเป็นกรรหนักไหมเป็นคาุกรรมไหมอะไรเป็นคาุกรรมเป็นกรรมหนักอะไรเป็นอสัญกรรมกรรมใกล้ตายอะไรเป็นปะหุลกรรมกรรมที่ทำบ่อยกรรมที่ทำมากอะไรเป็นกะตัตตาวาปณะนะกรรมกรรมที่ทำไว้แต่ชาติตางก่อนก่อนนน อันชีวิตของเราเนี่ยไม่ใด้มีเพิ่งมีชาตินี้ชาติเดียวพระองค์กล่าวว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารทลกเนี่ยมีมากมายมหาศาลพบชาติเนี่ยเขาบอกว่าแค่กระดูกของเราแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่เน่าไม่เปื่อยไม่สลายไปมากกว่าเขาเวปุระบรรพศซึ่งเป็นเขาที่อยู่ในในเมืองราชชักฤกเป็นภูเขาลูกใหญ่โต นั้นกระดูกของคนคนเดียวเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีการเผาการฝังเนี่ยมากกว่านั้นอีกน้ําตาที่เราร้องให้อยู่ในสังสารวัตเนี่ยมากกว่าน้ําในมหาสมุทรดังนั้นถ้าหากว่าไอ้น้ําตาเนี่ยจิตที่ทําให้เกิดน้ําตาเนี่ยเป็นจิตชนิดไหนโทสะถ้าบอกว่าน้ําตาเนี่ยมันหลังมาเท่ากับน้ํามหาสมุทรชาวนาที่ทําให้เกิดน้ําตาเนี่ยจะเท่าไหร่ดวงดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินั้นๆไปดวงที่เจ็ดให้ผล ชาติหน้าสองถึงหกให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นไปโอ้โหแล้วท่าน้ําตาที่เราร้องให้มากกว่าน้ํามหาสมุทรแล้วกรรมเหล่านั้นที่เป็นเหตุให้น้ําตาเนี่ยโอ้ยอย่าคิดจะใช้กรรมหมดเลยโยมไม่หมดหรอกเพราะใช้แล้วเขาบอกว่าชาวนาวิถีหนึ่งนะถ้าปัญจทาวารวิถีพูดสํานวนอพีธรรมนายจากครูวิญญาณผลของกรรมเก่าสัมปติชันะเป็นผลของกรรมเก่าสันติรณะเป็นผลของกรรมเก่า ถ้าอารมณ์นั้นมันชัดจะมีตถารมณะอันนี้เป็นผลของกรรมเก่าสรุปแล้วจิตห้าดวงเป็นผลของกรรมเก่าทําใหม่เจ็ดดวงรับห้าทำเจ็ดใช้หมดไหมแล้วตามกระบวนการของจิตส่วนใหญ่จะต่อด้วยมโนทวารวิถีเป็นตัฐนุวัติกะมโนทวารวิถีกับสุทธะมโนทวารวิถีไอ้มโนทวารวิถีเนี่ยมันคิดเป็นแสนๆโกรธครั้งอะ่ะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเราจะใช้กรรมหมด ไม่มีทางพระพุทธเจ้าจึงสอนไม่ได้สอนให้ใช้กรรมให้หมดพระองค์กล่าวว่ากรรมดําให้ผลเป็นให้ผลเป็นทุกข์กรรมขาวให้ผลเป็นสุขกรรมทั้งดําทั้งเขาให้ผลทั้งสุขและทุกข์ไปดำก็ให้ทุกข์ไปขาวก็ให้สุขไปสลับพระเคล้ากันไปชีวิตจึงสุขและทุกข์ทั้งหวานและขมขื่นแต่มันมีกรรมอยู่ตัวหนึ่งกรรมไม่ดําไม่เขาเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมอริยมรรคนะ ไม่ใช่พระองค์สอนให้ใช้กรรมให้หมดแต่พระองค์ทรงสอนให้เจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเมื่ออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเจริญพ่กพูนบริบูรณ์แล้วโสดาปฏิมรคเนี่ยจะตัดพบที่แปดเป็นต้นไปตัดกรรมออกไปเขาเรียกว่าเป็นกรรมตัดกรรมเป็นหนังว่าเพชรตัดเพชรใช่ไหมเพชรตัดเพชรอันนั้นภาพยนตร์นะแต่ว่าในเรื่องกรรมนี้พระองค์บอกว่ากรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมกรรมไม่ดำไม่ขาวก็คือ พ่อชงเจ็ดหรืออริยมรรภันประกอบไปด้วยองค์แปดกรรมเหล่านี้นี่แหละที่เป็นไปเพื่อความสิน้นกรรมอันถ้าหากว่าคนที่มองไม่เห็นชีวิตมองไม่เห็นบุญมองไม่เห็นบาปมองไม่เห็นกรรมดำกรรมขาวมุ่งแต่ทำมาหากินแต่ในโลกนี้เขาก็ฉลาดไหมฉลาดแต่ว่าเขามองใกล้ไปหน่อยทำโลกนี้ไม่ได้เผื่อโลกหน้าบางคนนี่สายตาเขาแคบมากสายตาเขาสั้น เขามองเห็นว่าเอ๊ะทำยังไงวันนี้จะมีกินเขาฉลาดเท่านั้นแหละบางคนนี่เอ๊ะจะทำยังไงจะกินได้อีกสามวันข้างหน้าบางคนนี่มองทำยังไงนะปีนี้จะได้มีกินทั้งปีบางคนนี่มองไกลอีกเออทำไงช่วงปฐมวัยเราจะมีกินบางคนนี่มองเลยเออทำไงนะยามแก่เท่าหวังชราแล้วจะได้มีอยู่มีกินบางคนเนี่ยเออแก่ชรามีอยู่มีกินยังเพื่อลูกเพื่อล้านอีกเออลูกล้านมันจะได้มีความสุขไป ยอมคนหนึ่งเขามาเล่าให้ฟังนะก็บอกว่าท่านผมเนี่ยนะถ้าหากว่าผมใกล้จะตายเนี่ยผมได้มอบเงินก้อนหนึ่งเอาไว้ให้ลูกให้หลานผมผมมีต้นไม้มีป่าอยู่ป่าหนึ่งแต่เป็นป่าไม้สัก์เป็นป่าไม้ตะเคียนเป็นป่าไม้ประดู่เป็นป่าเนี่ยมอบให้ลูกสักป่าหนึ่งเนี่ยนะมอบที่มอบทางเนี่ยผมคงจะนอนอย่างมีความสุขผมจะคงจะตายอย่างมีความสุขเขาคิดแค่นั้นจินตนาการของเขา เขามองชีวิตโลกนี้อย่างเดียวเขาจะมีชีวิตในบ้านปลายของเขาบางคนเนี่ยก็บอกโอ้สมัยนี้เ็าบอกว่าทำมาหาเงินเก็บพร้อมรอมฤตยามแก่ยามเท่ายา ม, ายามชราจะได้มีค่าอยู่ค่ายาไปห้าโมงห้าหมอลูกหลานจะได้ไม่เดือดร้อนนักสแสดงว่าทาให้ทาไ ม, ไมบอกก็ทำไม่ให้หมอทำไว้เพื่อซื้ออยู่ซื้อยาระงับความเจ็บปวดเออถามว่าเขาฉลาดไหม ฉลาดแต่เขามองเขามองแค่ชาตินี้ชาติเดียวเองถูกไหมถูกแต่ถูกอย่างไม่หมดเพราะชีวิตมันยังมีไกลกว่านั้นบางคนเนี่ยเป็นยังไงบางคนในโลกนี้มีตาทั้งสองคือมีตาทั้งสองก็คือสามารถที่จะสแสวงหาทรัพย์สินเลี้ยงดูตัวเองให้เป็นสุขเลี้ยงดูครอบครัวให้เป็นสุขสามารถที่จะ กตัญญูกะตะเวทีช่วยสนับสนุนส่งเสริมเลี้ยงดูบิดามารดาสงเคราะห์บุตรภรรยาช่วยเหลือเกื้อกูลต่อมิตรอมาตยญาสาโลหิตคนข้างเทียงใช้ชีวิตในทิศทั้ง6ได้อย่างบริบูรณ์ใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบในโลกนี้ในขณะเดียวกันเขาทำกรรมเพื่อไม่ประมาทในโลกหน้าถามว่าเขาทำกรรมอย่างไรจึงจะไม่ประมาทในโลกหน้า เขาก็ทำกรรมที่เป็นไปกับคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่มีอยู่แล้วใช่หมแต่เขาก็ส่งเสริมเอทำยังไงจะเป็นกายกรรมที่ประกอบไปด้วยศรัทธาเป็นวัจีกรรมที่ประกอบไปด้วยกับศรัทธาเป็นมโนกรรมที่ประกอบกับด้วยศรัทธาเป็นกายกรรมที่เป็นไปกับฮีเรโอตปปเป็นกายกรรมที่เป็นไปกับการอายชั่วกลัวบาป เป็นวจีกรรมที่เกิดร่วมกับฮิเรโอตา ป, ปะคือการอายชั่วกลัวบาปเป็นมโนกรรมที่เป็นไปกับฮิเรโอตา ป, ปะอายชั่วกลัวบาปใช่ไหมที่จริงเนี่ยเขามีทรัพย์สินในโลกนี้แล้วใช่ไหมเขามีแก้วแว่นินทองทรัทยพรย์สินบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรเลือกสวนไรนะ่นาบ้านช่องห้องหอเนี่ยทรัพย์สินในโลกนี้เขามีอยู่แล้วอันนี้เขาเรียกว่ามีทรัพย์ภายนอกแต่เขาสแสวงหาทรัพย์ภายในด้วย เอาซัพภายนอกมาทําให้เป็นซับภายในใช่ไหมข้าวปลาอาหารเนี่ยเป็นซัพภายภายนอกแต่เอาซับภายนอกมาเป็นซัพภายในได้ไหมได้ไหมไม่เชื่อยอมก็หิ้วกันมาคนละกระป๋องมาป๋้งกาแป้งเนี่ยหิวข้าวหิวน้ํากันมาเนี่ยเออนี่เขาเรียกว่าเอาซัพบภายนอกเพื่อเป็นซัพบภายในใช่ไหมอาศัยซัพบภายนอกเนี่ยก่อให้เกิดศรัทธา มีศรัทธาถามว่ศรัทธาในทีนี้เป็นอย่างไรงมงายไหมไม่ใช่แต่เป็นศรัทธาที่เป็นไปเลื่อมสายในคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าใช่ไหมเราทั้งหลายมาเร่วมกันสวดมนต์คาว่าสวดมนต์ก็คือการสารเสริญยกย่องตามละลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านะท่านเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระอาหารหันต์เพราะว่าท่านไกลจากกิเลส ไกลแสนไกลจากกิเลสไกลแสนไกลจากวาสนาที่เป็นส่วนสังสมที่ทํำด้วยความไม่ดีด้วยความเคยชินที่เป็นไปกับบาปอกุศลพระพุทธเจ้านี้เป็นพระอารหันต์ที่ไกลาจากกิเลสและกําจัดฆ่าศึกคือกิเลสได้โดยเด็ดขาดท่านเป็นพระอารหันต์เพราะท่านหักซี่กรรมแห่งสังสารจักรเรามองเห็นกันอยู่นี่ใจไม่เป็นบุญก็เป็นบาป พระพุทธเจ้าใจไม่เป็นบุญเป็นบาปนะมองเห็นเห็นเหมือนกันแต่ใจท่านไม่เป็นบุญเป็นบาปท่านได้ยินเสียงไหมได้ยินแต่ใจท่านไม่เป็นบุญเป็นบาปถามว่าท่านทำยังไงท่านเฉยใช่ไหมเออท่านไม่ได้คนปัญญาอ่อนเนี่ยท่านไม่เฉยนะท่านรับรู้เรื่องราวเหล่านี้แต่เป็นเป็นใจที่ประกอบด้วยสติด้วยปัญญาเป็นใจที่เป็นมหกิริยาจิตอันภารหันเนี่ยท่านกาจัดข่าศึกคือกิเลสได้โดย เด็ดขาดไม่มีส่วนเหลือแล้วหักซี่กรรมแห่งสังสารจักรท่านหักบุญหักบาปบุญบาปที่จะเป็นเหตุให้ไปสู่ในภพภูมิต่อไปท่านละได้ด้วยอรหัตตะมรกแล้วพระอรหันเนี่ยท่านจึงเป็นผู้ที่หักซี่กรรมแห่งสังสารจักรสังสาระสังสารวัตรก็คือลำดับแห่งขันธาตุอายตนะที่ไหลสืบเนื่องกันเป็นไปอ ย, ย่างไม่ขาดสาย ซี่กรรมแห่งสังสารวจักรอันนั้นนี่ก็คือตัวบุญตัวบาปนั่นแหละเป็นตัวซี่เป็นตัวกรรมมีอวิชชาและภวะตันหาเป็นตัวดุมเป็นตัวแกนตัวกลางอันนั้นอ่ะมีกงคือชาติชรามรณะเนี่ยหมุนไปเป็นไปกระชาชรามรณะเป็นรถที่แล่นไปในภพทั้งสามกรรมภพรูปภพอรูปภพในะรถคันนั้นถ้าหากว่าซี่กรรมออกไปนะถ้ามองเป็นเกวียนนะสมัยนี้เนี่ยมันไม่ใช่รถใช้กรรมแบบโบราณแล้ว มันลดคละสมัยให้นึกถึงเกวียนก่อแล้วกันหรือราชชรถแบบสมัยก่อนที่มันมีซี่กรรมใช่ไหมไอ้ซี่กรรมอันนั้นก็คือตัวบุญตัวบาปพระพุทธเจ้าเป็นผู้ละบาปเป็นผู้ลอยบุญเป็นพระอรหรันต์เพราะท่านหักซี่กรรมแห่งสังสารจัจฉ์ได้โดยเด็ดขาดได้โดยสมุทเฉทาปะหานท่านเป็นพระอรหรันต์เพราะท่านไม่แอ บ, บทําความชั่วในที่ลับไม่มีที่รับในการทําชั่ว พระอรหันต์ไม่ว่าจะอยู่ในที่แจ้งหรือในที่รับก็าตามพระอรหันต์ท่านไม่มีการทำชั่วพระอรหันต์เนี่ยท่านเป็นผู้ควรแก่ปัจจัยสี่เป็นผู้ควรแก่การบูชาเป็นผู้ควรแก่การสักการะยกย่องนับถือสารเสริญแล้วพระอรหันต์แบบพระพุทธเจ้าด้วยนะไกลจากคนชั่วพระ อ, องค์เนี่ยไกลจากคนชั่วคนชั่วอยู่ห่างพระ อ, องค์พระองค์ก็อยู่ห่างจากคนชั่ว ถามว่าเราใกล้พระพุทธเจ้าขนาดไหนเราก็ศึกษากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นไปกับพระธรรมคําสอนเป็นต้นเราก็ใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ถ้าหากว่าใจเรานี่ตรงกันข้ามเราเนี่ยไกลแสนไกลจากพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้านี่พระ อ, องค์ไม่ทิ้งคนดีถ้าหากว่าดีจริงๆพระพุทธเจ้าจะไม่ทิ้งเลยเพราะพระองค์ฝากฝังพระธรรมคําสอนไว้เหลือให้เราทุกวันนี้ใช่ไหม แล้วคนดีก็จะไม่ทิ้งพระองค์ถ้าหากว่าเราดีจริงเราต้องไม่ทิ้งพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ไม่ทิ้งเรานี่คือความเป็นพระอาหารหันต์ของพระพุทธเจ้าเรามีศรัทธาในความเป็นอรหันตตะคุณของท่านใช่ไหมอรหังสมมาสัมพุโทโธพระกวาไปที่ไหนแล้วเสวดมนต์อยู่อย่างนี้เรื่อยแสดงว่าหนึ่งเราเป็นผู้มีศรัทธากายกรรมของเราเนี่ยยกมือสิบนิ้วประชุมสโมโธฐานกราบระลึกนึกถึงความเป็นพระอาหารหันต์ของท่าน ว่าจีวาจาคําพูดของเราก็กล่าวสรรเสริญยกย่องในความเป็นพระอาหารหันต์ของท่านใจของเราก็น้อมไปเคารพในท่านดังนั้นเราก็เป็นผู้ที่มีศรัทธาศรัทธาอย่างนี้เป็นซัพภายในเป็นซัพภายในที่เจริญเป็นไปเพื่อพบต่อไปอย่าลืนนะเรื่องอันนี้ก็บอกบางคนเนี่ยสงสัยเอ๊มีศรัทธาอย่างนี้แล้วมันจะช่วยเรื่องธรรมมาหากินหรือเปล่าอันนี้มันตาที่สองตาคุละข้างกัน จะใช้ตาบุญเนี่ยไปมองตาธรรมมหากินมันคนละ ง, งานกันแล้วแต่ถ้าหากว่าเราทํางานไม่ดีนะตาปัญญาเป็นต้นตาศรัทธาก็จะไม่มีถ้าเรามีตาศรัทธาเลื่อมใสในความเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทโธตรัสรู้โดยชอบและตรัสรู้ได้ด้วยตัวเองตรัสรู้อะไรโดยชอบตรัสรู้ว่านี้ทุกข